เทศอบรมพระในคืนวันที่สองธันวาคมพศ2569ณวัดป่าบ้านตัด จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนวันนี้ก่อนหน้าว่าเป็นวันวอุดมมงคล มีท่านพระอาจารยใ์ใหญ่ทั้งนั้นที่ได้อุตสาห์มาเมตตาในวัดนี้นับแต่สร้างวัดมาก็เป็นเวลาหลายปีคราวนี้รู้สึกว่าเป็นคราวที่ ต่างท่านก็จะลืมความระลึกถึงคราวนี้ไปไม่นาเนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านปูทรงคุณลมวธิและต่างก็ได้มาโดยไม่ได้ไม่ได้นัดแนะซึ่งกันและกันแต่มารวม กันได้ในวันเดียวกันมีเรียกว่าเป็นอุดมมงคลอันหนึ่งสาหรับเราทุกทุกท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัติตามสถานที่ของตนของตนก็าตาม แต่ที่จะได้มารวมกันเช่นนี้นั้นรู้สึกจะเป็นโอกาสที่หาได้ยากวันนี้จึงมีสัมโมทนิกถาเป็นเครื่องรื่นเรองซึ่งกันและกันที่ได้มารวมกันในวันนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจขคงทนถาวรยอมมีการแปลสภาพไปอยู่เสมอโดยไม่กำหนดการเวลาและสถานที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านนักปฏิบัติด้วยกันซึ่งมารวมกันอยู่ในเวลานี้ ก็จะต้องเดินตามทางสายที่กก่านี้เหมือนกันหมดมีความแยกย้ายไปในสถานที่ต่างๆ ต, ต, ตามความจำเป็นและเหตุจำเป็นของตนเมื่อมีโอกาสในวันนี้ยิงถือเป็นเวลาสำคัญที่เราจะได้ สัมโมธนิยกถาเป็นเครื่องรื่นเรืองซึ่งกันและกันเราทุกท่านเป็นนักบวชออกจากสากยบุตรอันเดียวกันในนามว่าสากยบุตรนี้เป็นพระนามที่ คงสมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสากะยะบุตรที่พระองค์ท่านได้ให้นามได้ทรงให้นามนั้นคือผู้ที่บวช ด, ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านก็าตาม รบวดอยู่ในที่อื่นๆก็ตามแต่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองอันเดียวกันและออกจากพระพุทธวาดของพระองค์เช่นเดียวกันหมดเมื่อออกบวดแล้วต่างท่านก็มุ่งต่อการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับ สิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมาตลอดนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางคารวะยอมพยายามปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏอยู่แต่หลักพระธรรมในเป็นเครื่องประดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอายบททั้งสี่ เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกลมกลืนกับพระธรรมวินัยนีเรียกว่าสาบรกยบุตรแม้จะยังไม่สำเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิดังที่เราได้ทราบมาใน ประวัติก็ตามแต่ก็ชื่อว่าต่างท่านต่างดำเนินตามหลักพระธรรมินอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทำความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสวพัสของพระพุทธเจา้า และได้ประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วและโปรดได้มีความพยายามมีความหนักแน่นต่อหลักพระธรรมวินัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เพื่อหลักพระธรรมวินัย การปฏิบัติพระศาสนาโปรดยาได้มองข้ามตัวของเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาคำว่าพระก็คือตัวของเราเองคำว่าศาสนาก็คือตัวของเราเองผู้จะรักษาศาสนาให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมก็คือตัวของเราเอง คู้จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิมกนิพานก็คือตัวของเราผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้และจะต้องเป็นไปตามสายทางแห่งพระธรรมิินัยที่ประทานไว้แล้วนี้ทั้งนั้น โปรดยาได้มองข้ามหลักพระธรรมวินัยนี่ไปเราจะโง่แสนโง่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยจะเป็นความโง่หรือจะเป็นคนโง่ที่น่าสงสารน่าเคารพน่าเอ็นดูน่ากราบไหว้บูชาอยู่จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาด ตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะโปอย่าให้มีความฉลาดเป็นแบบที่เรียกว่าแวกแนวพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะโปเป็นที่ตั้งไม่ได้หมายนอกเหนือไปจากนี้ ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรนี่แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดตลอดีอดอยาบทตั้งแต่ต้นจนถึงอวาสานคือจุดหมายปลายทาง นี่ชื่อว่าความฉลาดในหลักพระศาสนาความฉลาดนอกจากนี้ที่จะเป็นค่าศึกต่อตนเองจะเป็นค่าศึกต่อโลกนั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นความฉลาดอันเป็นที่นิยมทางพระศาสนาอำนาจวาสนาก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ตนโดยถูกต้องตามหลักแห่งสวขคาตธรรมไม่มีอํานาจวาสนาอื่นใดจะปรากฏตัวขึ้นมานอกจากกรอบแห่งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามหลักของพระธรรมวินัยนี่เลยนี่เป็นหลักใหญ่สําหรับเราเป็นนักบวชถือพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระสงฆ์เป็น ที่พรีชีพของเราโปรดอย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักพระธรรมวินัยที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ดับเวลานี้เป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านซึ่งกำลังศึกษานี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมไปในวันหน้าหลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติอย่างไรเราอย่าเห็นว่าเป็นของล่าสมัยอย่าเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญ โปรดให้ถือเป็นหลักสำคัญทุกๆชิ้นหรือทุกๆอย่างที่ท่านพาดำเนินมาโดยทางธรรมเราอย่าเห็นความอยากตามอําเภอใจของเราว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหลักปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาการประกอบหน้าที่การงานทุกส่วน แม่ที่สุดการฉันก็ให้มีหลักพระธรรมวินัยครอบครองตัวของตัวอยู่เสมออย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากซึ่งหาประมาณไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่ถือปฏิปทาเป็นหลักแม้ทางด้านจิตใจจะยังไม่เป็นไป ก็มีความอบอุ่นภายในใจตนเองว่าเราได้ดำเนินตามปฏิปทาเต็มถุดกำลังความสามารถของเราเรยิ่งเราก็ได้มีจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นลำดับการฉันก็ให้มีหลักการไปการมาการพูดให้มีหลัก มีกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลพร้อมมูลดูกับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานักบวชนี้เป็นบุคคลตัวอย่างของโลกถ้านักบวชไม่สามารถจะทำเป็นตัวอย่างอันดีแก่โลกได้แล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถ ในโลกนี้ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างของโลกได้เราต้องเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญบ้างสิ่งนี้ไม่สำคัญบ้างการปฏิบัติตนเองควรจะให้มีกฎเกณฑ์ อย่าให้ว่าเป็นไปที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปที่นี่เป็นอย่างนี้ไปวัดนั้นเป็นอย่างนั้นไปวัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่มีหลักจะเป็นทางด้านธรรมะก็ดีด้านพระวินในก็ดีนี่เป็นกฎตายตัวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ รวมแล้วเรียกว่าสุขคาตธรรมไม่ว่าจะปรับไว้ในบทใดแงในสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดลึกตื้นแค่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานิกระธรรมจะทำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเรื่องจิตขวางภายในใจของตนไปได้โดยลำดับนี่ผู้ปฏิบัติ ต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่าทําแบบสุ่มเดาอย่าทําแบบเป็นคนหลักรอยตั้งไม่ติดตั้งในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ติดจะตั้งในทุดงข้อใดก็ไม่ติดจะตั้งในสิ่งใดชื่อว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ติดแต่สิ่งใดที่จะเป็นหายณนะเป็นเครื่องสังหารตนเองนั่นเป็นสิ่งที่ แนบแน่นอยู่กับใจและสนใจที่จะคิดที่จะส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เช่นนี้แลชื่อว่าเป็นผู้จะทำลายตนเองโดยไม่มีปัญหาโปรดทุกทุกท่านได้จำไว้ยาได้ลืมการศึกษากับครูกับอาจารย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในเบื้องตน้นวาระต่อไปก็คือตัวของเราเอง จะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้ดีหรือให้เรียบร้อยเป็นไปตามบัติปทาที่ท่านสอนไว้ให้เป็นคนมีหลักเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาตาดูให้ดีหูฟังให้ชัดใจคิดไตรตรองตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากสำนักครูอาจารย์หรือจากครูอาจารย์องค์นั้นๆตลอดจากหมู่เพื่อน ที่เห็นว่าข้ออัดข้อทำข้อใดบ้างที่เป็นคติได้รับประโยชน์ด้วยโตรยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไรก็เหมือนกับคนสแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการสแสวงหารายได้ มีความขยันหมั่นเพียรมีความเฉลียวฉลาดไปใกล้ไปไกลไปวงกว้างวงแคบเท่าไรก็ยิ่งได้รับความฉลาดรอบรู้เป็นลำดับลำดับไปเช่นเดียวกับบุคคลที่เที่ยวเาสาะแสวงหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลยอมเป็นผู้ชินต่อเหตุการณ์ และปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยกับสังคมี่เรื่องของผู้ที่มุ่งต่ออาธธรรมจากครูจากอาจารย์จะไปสำนักใดๆก็ยอมได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับๆเช่นเดียวกันนั้นแต่ถ้าจะไปแบบหูหนวกตาบอดคือตาก็แม้จะมองเห็นดูก็ไม่สนใจจะดูเพื่ออัดเพื่อทำ หนูได้ยินก็ไม่ถือว่าจะเป็นประโยชน์อะไรจากครูจากอาจารย์ที่ตนได้เห็นได้ยินนั้นประพฤติตามอําเภอใจจะไปสักร้อยสํานักก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรสําหรับโมฆะมุรุุคนนั้นเปล่าประโยชน์ไปเปล่ปาๆโปรดท่านทั้งหลายได้จําเอาไว้การปฏิบัติตนเพื่อมีสาระแก่นสารเพื่อเป็นผู้มีคุณค่าสําหรับตัวเอง ไม่ใช่จะปฏิบัติแบบรุ่มรุ่มดอนดอนไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคู่ครานไปเฉยๆยแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทาอะไรก็ให้ทำจริงด้วยความจงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอุญยาบทใดๆก็ตามขอให้มีความสัตย์เป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกำกับก จ, จิตใจ ดำเนินความเพียรไปด้วยความมีสติรอบคอบไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าแก่ตนเองไปเป็นนลำดับผู้นี้แหละแม้จิตจะมีความฟุ้งซ่านหาขอบเขตไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็จะต้องอยู่ในเงื้อมมือของความเพียร น, นี้และตั้ง เข้าสู่ความสงบได้ในวันในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราอย่าให้เป็นลักษณะว่าที่เชื่อขาดไม่กำหนดว่าจะตกที่ไหนนี่การปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติจนวันตายก็ไม่เห็นอะไรเพราะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนเองการบังคับตนเองนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าเราบังคับคนอื่นมีอำนาจกดขี่บังคับตนเองในทางที่ชอบนี่ท่านถือว่าบุคคลที่เยี่ยมถือว่าเป็นบุคคลที่ดีแต่มีอำนาจไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั่นเขาเรียกว่าคนโลกวินาถ้าเป็นพระก็เป็นโมฆะบุรุษใช้อำนาจวาสนาในทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกควรใช้ บังคับตนเองเพื่อให้ดําเนินตามหลักพระธรรมมิไหนนี่อันนี้เป็นทางที่ถูกกดขี่บังคับลงไปเรื่องของใจนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้านทนทานยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมดื้อด้านต่อพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อครูต่ออาจารย์ เป็นอย่างนี้เราต้องใช้อํานาจในทางธรรมะมากดขีบ่บังคับฝึกฝนทรมานตนนักบวชต้องเป็นบุคคลเช่นเดียวกับผ้าขี้หลิยวไม่ต้องถือว่าตนมีราคาไม่ต้องถือว่าตนนี้เป็นพระเป็นผู้มีอํานาจวาสนามากแต่ให้ถือว่าเรานี้แหละเวลานี้เป็นเหมือนผ้าขี้หลิว จะพยายามทำผ้าที่ริ้วนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแ่งพื้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วๆไปนอกจากเป็นที่ยินดีและพออพอใจสนับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าที่ริว้วกลายเป็นทองคำนี้ยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นอีกจำนวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องสละทิฏฐิมานะอย่างนี้ ฉละภายในตัวเองอย่าหาบเขี้ยวหาบฟันไปไหนอย่าแบกเขี้ยวแบกฟันไปด้วยเรื่องเขี้ยวเรื่องเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัข ก, ก็ไม่น่าดูแล้วพอหยินฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันนี่ลักษณะของทิฏฐิมาณนะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี่ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันจะได้ซ้านี่ ถ้าเราจะใช้คอย ใ, ใช้บังคับเรากดขี่ตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชั่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะเผลอไปสักกี่ครั้งแล้วจิตใจของเราเผลอไปในระยะหนึ่งนานประมาณเท่าไหร่เราจะยอมปล่อยให้ใจของเราเผลอไปอีอย่างนี้ เื่อๆไปหรือเราจะพยายามส ก, กัดกั้นจิตใจของเราให้หายพยศในความคิดที่เคยคิดนั้นย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับนี่เป็นอำนาจที่ดีสำหรับพระนำมาช้าอย่างนี้จะเป็นประโยชน์จะไม่เป็นโมฆะบุตุเรื่องทุกก็ดีสมุทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรดนิโรตก็ดีทมทั้งสีพประเภทนี้ ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยคุณค่าลงไปแม้แต่นิดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นอกจากบุคคลที่จะด้อยคุณค่าของตัวเองลงจากสัตธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสถานที่การบุคคลและสิ่งทั่วๆวไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อกรรมก่อเวรแก่ตัวเองสาเหต ต้นเหตุอันแท้จริงนั้นก็คือว่าเรามองข้ามตัวของเรานี้ไปเสียคือหลักสัจจะธรรมนี้ไปเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีแต่เห็นของดีนี้กลายเป็นของชั่วผู้เช่นนี้แลจะไปที่ไหนก็ต้องแพ้เรื่อยไปไม่มีความชนะได้ไม่มีความสุขความสบายได้เราตั้งใจพิจารณาลองดูซิว่า ทุกขสัตว์ได้แก่อะไรความไม่สบายทุกส่วนในร่างกายนี้ท่านเรียกว่าทุกขสัตว์เป็นสิ่งที่ประกาศเป็นการเตือนให้จิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกนั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทาหน้าที่ต่อทุกขสัตว์สมุทัยศาสตร์ ได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมินเกี่ยวกับทางนันทิราคะสหคตาตตะ ต, ต, ตราอภินันดินีรวมแล้วทั้งหมดเซอร์ยาที่ดังได้แก่กามมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นสมุทยัย ท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมูทยัยสมูทัยนี่แหละคือเชื้อของทุกข์เมื่อมีสมูทัยแล้วก็เหมือนกันกันกบว่ามีฟืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ตรงนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมานี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมูทยัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และกลับเป็นคร่าสึกตัวต่อตัวของตนตัวของตัววันย่างค่เช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขเรานอกจากจะมีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งกองเผาร้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างองื่นนี่เราทำตัวของเราให้ด้อยต่อสัจธรรมทั้งสีน่นี้เราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนอาภัพอาภัพในความสุข อาภัพในความสงบอาภัพในทางความเพียรอาภัพในความเฉลียวฉลาดอาภัพในปฏิปทาที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทุกด้านจึงเป็นผู้แพ้เรื่อยไปสัจจะธรรมมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้านำมาประกอบพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักควา ม, วามจริงตามหน้าที่ของสัจจะแล้วเราจะเป็นคนจริงขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ใช่จะเป็นผู้แพ้เสมอไป แม่องค์สมเด็จพระภูมิมีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นคนมีกิเลสและเคยล้มลุกคุกครานมาเช่นเดียวกับเราเราท่านท่าแต่เหตุฉะไหนจึงสามารถตรัสรู้สัจธรรมทั้งสีนี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐด้หลักนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็นเนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัจจ์แต่และอย่างละอย่าง โดยไม่มีาคาดเทื่อนนั่นแหละผลจิงปรากฏเป็นความมือสุดขึ้นมาจากสัจจะธรรมทั้งสีนั้นที่เรียกว่าพุทโธ ท, ทั้งดวงสัจจะทั้งสีนี้ไม่ใช่เป็นความบือสุดแต่เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกจะปลีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้งสีนี้เป็นทางแล้วไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกเกิดขึ้นไม่ว่าทุกทางกายไม่ว่าทุกทางใจ จงถือว่าเป็นหินรับปัญญาปัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั่นทุกขั้งอริยสัจจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความฟุ้งเฟอ้อเหเิมเป็นต้นคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้ฟ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี่แหละ ที่เป็นเครื่องเสริมสมุทรไทยให้แสดงตัวและพองตัวขึ้นวันดังคำพื้นยังลุ่จนหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เนื่องจากนี่แหละถ้าเราจะใช้ปัญญาสอดส่องดูตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี้มีรูปเป็นต้นแล้วสมุทรไทยจะไม่สามารถแสดงตัวเสริมกำลังของตัวให้มีกำลังมากมูลขึ้นถึงกับทำให้เราเป็นคนอภัพได้ตลอดไป มีวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะสามารถรู้ชัดในเรื่องสัจจะทั้งสองประเภทนี้ด้วยมรรคสัจคือปัญญาแล้วโปรดพิจารณาดูส่วนร่างกายให้เห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นความจริงอยู่ตามสภาพของตนไม่ว่าจะเป็นด้านอนิจจงคือความแปลสภาพของส่วนร่างกายไม่มีส่วนไหนจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่า ข้างบนข้างล่างทุกส่วนในร่างกายหลายลงรวมความเป็นอนิจจงแปลสภาพตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดมีจุดใดดอนใดที่จะเป็นที่ยึดที่หมายเป็นที่ไว้วาง อ, อกวางใจให้ได้รับความร่มเย็นจากอาการนั้นๆแห่งส่วนร่างกายได้แม้แต่อาการหนึ่งมีไหมไม่มีนี่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความแปลสภาพพูดถึงเรื่องความทุกข์ ดูให้เห็นหลักความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในกายลองดูส่วนใดบ้างที่มีอยู่ในร่างกายนี้จะทรงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจให้รับความทุกข์ไปด้วยนั้นไม่มีอีกเช่นเดียวกันทุกส่วนทั้งภายในภายนอกทั้งข้างบนข้างล่างเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าทุกข์อันใดเป็นทุกข์ก็ต้องเข้าไปบีบคัน้นจิต ต้องไปกระเทือนถึงกิจทางนั้นสภาพที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเขาไม่รู้สึกตัวของเขาเองเช่นแข้งขาเป็นทุกข์เป็นต้นแข้งเขาขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ใจผู้รับรู้ใจผู้รับผิดชอบนั่นแหละจะเป็นตัวทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์นี้ไว้แบกกองความทุกข์นี้ไว้อุปทานในทุกข์นี้ไว้กลายเป็นความทุกข์ภายในจิตใจนี่ผู้นี้ต่างหาก ถาปัญญาได้อย่างทราบตามหลักความจริงของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกทั้งสองประเภทนี้แม้ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงมันสลายก็าตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ ส่วนทุกข์ทางใจนั้นเมื่อมีความรอบครอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะใจดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกข์ดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกข์ทั้งหลายจะชลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญานี่คัมมานิโรทะนั้นเราพิจารณาเห็นชัด ในสัจธรรมทั้งสองประเภทคือทุกขสมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจะคาว่านิโรธจะแสดงความดับทุกไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ทุกขันหยาดขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกสมุทยัยโดยไม่มีส่วนใดหรือ ยังเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจนี่โลทะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ธรรมะ น, นิโรธคือความดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ทางใจเหลืออยู่เลยใครจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบขอบหรือซึ่งความเมื่ยสุดก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจทั้งสีนี้ ทุกเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมูทายเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมัดเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกขและสมูทายทั้งสองประเภทนี้นี่โลทะเมื่อมัดได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นี่โลทะก็ทำหน้าที่ไปเป็นลำดับลำดับจนถึง มักได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโลทะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผูท้ที่รู้ว่าทุกดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีดับไปตามสัจธรรมทั้งสีนั้นเรื่องสัจธรรมทั้งสีนี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทุกตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปสมุทัยตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอํานาจของปัญญาปัญญา คิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้เสร็จแล้วก็ดับลงไปตามสภาพของตนนี่โรทะทำความดับทุกแล้วก็หายสูญไปไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เป็นสัตจธรรม ท, ทั้งสีน่นี้นี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้จะเราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้ เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติทันหนึ่งที่มีความฉลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเพลิงคือทุกขังอนิจจ์อนัตตก็ตามแต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทาตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์ มีอำนาจวาสนากฎขี่บังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยหลักธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าทุกบททุกบทเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาอสระกองทุกทั้งมวลไม่ใช่เป็นเครื่องผูกมัดก็เวลานี้ จ, จิตใจของเราเต็มไปด้วยความชั่วช้าลามกเป็นไปเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นไปเพราะ หลักความคิดความเห็นความชอบใจของเราเราควรจะนำมาเทียบเทียงตนเองไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปเปล่าๆวันนี้มืดวันหน้าสว่างขึ้นมาผ่านไปผ่านไปร่างกายของเราผ่านไปทุกวันทุกวันมีอะไรบ้างที่จะเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวของเราเองเราควรคิดเราควรควรพินิจพิจารณาไม่ควรจใจเสียวันเสียคืนเสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆไม่เสียเอยบทหายใจ เข้าออกเปล่าๆควรจะคิดให้ดีการปฏิบัติตามหลักธรรมินถึงจะยากลาบากก็ตามยากเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆไม่ควรถือว่าเป็นอุปสรรคและไม่ควรจะถือเป็นข้ออิจนาละอาใจโลกทุกย่อมย่ามีความทุกข์เหมือนกันไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่เขาเบอปัญญาและคนฉลาด เพราะอยู่ในโลกที่สร้างอยู่สร้างกินไม่หาไม่ได้ธาตุขันธ์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องบ่งบังคับให้ต้องสา ะ, ะแสวงหาไม่เช่นนั้นจะทนอยู่กับโลกนี้ไปไม่ได้นี่โลกก็มีความทุกข์เช่นเดียวเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชไม่เลยมีความกังวลอะไรกับสิ่งภายนอกที่โลกเสาะแสวงหากันอยู่ทุกวันทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยอัตเวทธรรม เพราะอำนาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านครอบอยู่ทุกเวลาไปที่ไหนก็มีคนคารวะเรื่มใส่ไปที่ไหนก็มีผู้อยากให้อยู่ให้ใช้ให้สอยให้ฉันเต็มไปหมดแต่เครื่องศักระบูชานอกจากว่าเราจะนอนใจไปกับสิ่งเหล่านี้เสียแต่นั้นก็จะกลายเป็นหมูนอนกินอยู่เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรควรจะสานึกตัวของเราให้ดี ออกจากครูจากอาจารย์ไปแล้วโอวาทธรรมคําสั่งสอนหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากท่านอย่าให้ครากจากตัวเองอย่าให้หลุดลอยไปเสียเปล่าๆให้ฝังในจิตในใจอย่างลึกซึ้งแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตนโดยลํำดับลำดับนั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาโดยแท้ไม่เป็นแต่เพียงว่ารูปๆคำคำไปที่ไหนหาหลักหาแหล่งรากฎเกณฑ์ไม่ได้ อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยท่า น, นขอให้ทุกท่านได้พินิพจพิจารณาให้เสียประโยชน์ให้สมนามมากเป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่มีใครจะมาสามารถสร้างตนให้ดีได้นอกจากเราคนเดียวเท่านี้จะสร้างตัวของเราการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของจำเป็นและไม่เป็นของที่ยากเหมือนการสร้างตัว สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวัดสร้างวาไม่ยากใครสร้างก็ได้คารวาสสร้างก็ได้เขาทำกันได้ทั้งโลกอย่างนี้ไม่อั้นและไม่มีใครอัศจรรย์การสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีนี่เป็นของที่สร้างยากมากและไม่ค่อยจะสนใจอยากจะสร้างกันมองดูข้างนอกนั่นหละเลยลืมตัว นี่เนี่ยว่าคนลืมตัวไม่มองดูตัวของเราเห็นท่านดีเราก็อยากดีแต่ไม่ทราบว่าความดีนั้นมาจากไหนทามองดูต้นไม้กระบุดูตั้งแต่ดอกกับผลไม่ดูลําต้นและดูปุ๋ยดูเครื่องบํารุงที่จะทําต้นไม้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามธรรมดาต้นไม้อาหารเป็นสิ่งสําคัญถ้าอาหารดีต้นไม้ก็ดีรากก็ดี กิ่งก้านก็ดีใบก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีถ้าขาดปุ๋ยหรือขาดลำต้นอันสำคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองไปไม่น่นนี่รากฐานของพระคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติคือหลักธรรมวินยัยความเพียรมองดูตัวของเราพยายามบำรุงด้วยปุ๋ยคือความเพียรเสมอ ด้นลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาให้บำรุงตนดูด้วยศีลสมาธิปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอเมื่อลําต้นได้เจริญขึ้นมาแล้วด้วยปุ๋ยคือความดีที่ตนบำเพ็ญมานั้นศีลก็จะบริสุทธิ์สมาธิก็จะเป็นขึ้นมาปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดวิมุตต์หลุดพ้นคืออันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเครื่องบำรุงจะแสดงขึ้นในต้นลําที่ดีเนื่องจากปุ๋ยที่ตนได้บำรุงอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นแน่นอน ไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้โปรดให้มองดูที่นี่นี่ลหละพระอัจฉริย์ก็คือพระองค์นี้พระที่เวลวร้ายที่สุดก็คือพระองค์นี้พระก่อความกังวลแก่ตนและบ้านเรือนก็บ้านเมืองและโลกทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ผู้จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นปร่มโพล่มใจให้อุบาตต่างๆแก่เขาลรับความร้อนเข้ามาศึกษาปา ร, รบก็คือพระองค์นี้ โปรดให้สร้างพระองค์นี้ให้สมบูรณ์ถ้าพระองค์นี้ได้บกพร่องหรือพระองค์นี้ได้เลวทามไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเวลวร้ายิ่งกว่าพระขอให้ท่านทั้งหลายได้สนใจดูพระองค์ตัวเองว่ามีบกพร่องที่จุดไหนบ้างโตทําความเข้าใจและป ร, ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไปที่ไหนก็จะเป็นพระที่ดีมีความเจริญตัเองก็มีความก็ยิมอุ่นอกอุ่นใจว่าพระองค์ตนได้รับการบำบุงด้วยดี ไม่ขาดปุ๋ยคือข้อปฏิบัติที่เนื่องมาจากความเพียรสืบเนื่องกันอยู่เสมอคนอื่นก็อยากได้บุญด้วยไปที่ไหนเขาก็กราบโค้วยไปที่ไหนก็เย็นพระภาในใจของเราเย็นโลกก็เย็นด้วยไปที่ไหนเย็นไปหมดถ้าพระภายในใจของเราร้อนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีที่อยู่ร้อนไปทั้งวันทั้งคืนหาที่พักที่อยู่อาศัยไม่ได้โลกกว้างแสนว้างก็มันร้อนอยู่ที่หัวใจของพระเลย หาที่ปรุงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกพระอเวจีตัวแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นพระที่วิเศษจักสิิขึ้นมาภายในจิตใจของเหล่านี้การแสดงธรรมมาขอเห็นมาสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปพิจารณาหากว่ามีการหาดตกบกกรงด้วย